พุทธศักราชที่ข้าพเจ้าพันที่เคารพค่ะรายการสนทนานะคะดิฉันสนศีนาถพงค่ะก็นําท่านกลับเข้า ไปพบกับท่านพิบุลกันเลยนะคะกราบนมัสการนะท่านค่ะเจิมบานท่านพิบุลว่าในครั้ง อืมท่านส่งปฏิบัติอะไรค่ะเอ่อพระภิกษุเพราะไม่ได้ฟังธรรมเค้าก็ๆนะสอบถาม พระพุทธเจ้าบอกว่าอ้าวพวกเธอจําพรรษาตามหมู่ออกพรรษาแล้วในวันเพ็ญเดือน 12 ก็คือพระพุทธเจ้าใช้คํานี้ว่าเป็นฤดูที่บานแห่งดอกโกมุทดอกโกมุทในที่นี้ก็เป็นดอกบัวชนิดหนึ่งก็ให้มาเจอกันที่นี่ๆก็ นะเราอยู่เป็นที่มาสักที่ใดที่หนึ่งแล้วระยะใดระยะหนึ่งแล้วออกบรรษารับกฐินแล้วแล้วก็ออกไปสู่ที่ที่ ในอยู่วิเวกคนเดียวค่ะอืมวิเวกๆนี่หมายความว่าค่ะในบางทีอาจจะเดินไป วันเพ็ญเกินใช 12 ใช่นัดกันตั้งแต่ตอนตอนเอ่อก่อนเข้าพรรษานั้นก็คือพอถึง แยกกันไปแยกกันไปแล้วก็นั้นเนี่ยโอ้โหแบบสุดสุดขีดเลยก็คือเร่งความเพียรกัน ให้ทําความเพียรอันนี้อาตมาจะพูดเกินไปนิดให 12 ฤดูบาน <laughs> <laughs> 12 ก็ ค่ะสมัยก่อนครั้งพุทธกาลไม่มีวันลอยกระทงสิคะเอ่อค่ะวัน น่ะในอดีตเนี่ยอืมแล้วก็สมัยก่อนเค้าไม่มีนาฬิกาอ๋อค่ะแล้วใช่คือเห็นพระจันทร์เนี่ยย้อนจินตนาการนึกภาพใน นอกจากนี้ในก็ท่องเดินทางจาริกไปมาแล้วก็เที่ยวไปในปรกคนนั้นปรกๆเหมือนกันแล้วก็เดินทางไปเอ่อทีนี้ไม่ใช่ 19 ปี นะอยู่ต่อเนื่องกัน 19 ปีก็ไม่ได้ไม่ได้เดิน 19 ปี 19 พรรษา 19 ปีอยู่อืมเอ่อขอประทานไหนๆท่าน อาจารย์อยากจะทราบค่ะปีแล้วก็มีเหตุการณ์เอ่อในที่เลือกอยู่ที่สาวัตถีเป็น อ่าพุทธศาสนิกชนด้วยแล้วแล้วก็ทนุปบํารุงพระศาสนาแล้วก็เลยเช่นเมืองราชคฤห์หรือว่าเมืองเอ่อมี ก็จะมีอำนาจน้อยกว่าประชาประเสริฐนิโคสนัย 3 นะอ๋อค่ะอันนี้เมืองตรงนั้นสมัยนั้นนะค่ะ ค่ะก็ 19 ปีนี้คงๆแล้วในสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสทุกๆหมายถึง นะว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรอย่างได้ว่าอธิบายไว้นะโดยข้อมูลที่ค่ะได้ๆๆน่าน่าจะซื้อได้ที่วัดบัว เอ่อเรื่องของพุทธประวัติถ้าได้อ่านโดยเฉพาะดิฉันเนี่ยติดใจที่เป็นพุทธประวัติ แล้วก็มาถึงเรื่องของการอภิปรรศาตรงนี้นิดนึง ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีกฎให้บริการ 8 ใช่มั้ย 3 อย่าง 8 เนี่ยต้องอยู่กับ ผ่อนหลบบากเพราะว่าบางทีงานต่างๆมันเยอะการเดินทางแรงต่างก็คงจะต้องมีค่ะอืมได้ เรเราก็ได้อันนี้ถือว่าเป็น <look at ạn> เอ่อซึ่งก็จะไม่ได้มีข้อบัญญัติอะไรที่ที่ปีๆ1 จากท่านวิบุลอภิปุณโญและรายการสนทนาสัมทนากันค่ะวันนี้นมัสการขอบพระคุณท่านเพียงเท่านี้ กันเอาไว้ส่วนเราท่านไสบูรณ์เขาบอกว่ายังมีโอกาสในความ แล้วก็จะทําให้เราละราคะละโทสะละโมหะได้ใครที่ความรู้สึกว่าแม้ชีวิตก็ใช้ดีแล้วนะมันไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจซะเลยก็ลองไปทบทวนใคร่ครวญแล้วลองไปปรับนะคะวิถีของชีวิตของท่านดูท่านอาจจะได้พบว่าเออเมื่อพึ่งคําในใน ของฆราวาสในช่วงหลังออกพรรษาในส่วนตัวๆคณะหนึ่งนะคะไถทอดกฐินที่ แบบปลอดมนธาวะทราบมาว่าได้ศิลปะวัฒนธรรมเอาไว้ 10 พฤศจิกายนร่วมกันกับบริษัททีวี